หนังสือเรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยายโดยพระพรมกุณาพรปออประยุตโตบทที่สิบเจ็ดบทสรุปอริยสัจสี่อริยสัจสี่ เป็นหลักธรรมสาคัญที่ครอบคลุมคำสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเนื้อความทั้งหมดที่ได้แสดงมาในหนังสือเล่มนี้ก็รวมลงในอริยาศาศาสัจ4ี่ได้ทั้งหมดดังนั้นจึงใช้หลักอริยสัจสีเป็นบทสรุปปิดท้ายหนังสือข้อควรทราบบางประการเกี่ยวกับอริยาาสัจ4ี่มีดังต่อไปนี้ ฐานะและความสำคัญของอริยสัตว์มีพุทธพจน์ในธรรมจักกับปะวัตนสูตรว่าภิกษุทั้งหลายการรู้การเห็นของเราตามเป็นจริงครบ3มปริวัตริ12อาการในอริยสัตว์4เหล่านี้ยังไม่บริสุทธิ์แจ่มชัดตราบใดตราบนั้น เราก็ยังปฏิญาณไม่ได้ว่าเราบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในมหาปรินิพานสูตรทีขะนิกายมหาวัตรพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเพราะไม่ตรัสรู้ไม่เข้าใจอริยสัจสี่ทั้งเราและเธอจึงได้วิ่งแล่นเร่ร่อนไปในชาติทั้งหลายสิ้นกาลนานอย่างนี้ ในมหาหัตถิปโทปมสูตรมัชิมนิกายมูลปันนาท่านพระสารีบุตรกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายที่เที่ยวไปบนผืนแผ่นดินทั้งสิ้นทั้งปวงย่อมประชุมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนั้นกล่าวได้ว่าเป็นยอดเยี่ยมในบรรดารอยเท้าเหล่านั้นโดยความมีขนาดใหญ่ฉันใดกุศลธรรมทั้งสิ้นทั้งปวง ก็ส่งเคราะห์ลงในอริยสัจสี่ชั้นนั้นในอุปาลิวัทสูตรมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัญ น, นาตมีข้อความว่าครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสอนุปุพิกถาแก่อุปาลีคฤรหบดีกล่าวคือเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์โทษความบกพร่องความเศร้าหมองแห่งกาม ทรงประกาศอานิสงส์ในเนคข ม, มะครั้นทรงทราบว่าอุบาลีเครืรห บ, บดีมีจิตพร้อมมีจิตนุ่มนวลมีจิตปราศจากนิวรมีจิตปราบปลื้มมีจิตเลื่อมใสแล้วจึงทรงประกาศสามุกังสิกาธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวคือทุกข์สมุ ท, ทยัยนิโรธมักสามุกังสิกาธรรมเทศนา แปลกันว่าพระธรรมเทศนาที่สูงทรงหรือที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเชิดชูหรือเป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงเองไม่เหมือนเรื่องอื่นๆที่มกักตรัสต่อเมื่อมีผู้ทูลถามหรือสนทนาเกี่ยวข้องไปถึงในโกตทีตัดสูตรอังคุตรนิการนวาการนิบาศท่านพระสารีบุตรอธิบายให้ท่านพระมหาโกติตะฟังว่า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 และไม่ยอมทรงเสียเวลาในการถกเถียงปัญหาทางอภิปรัทยาต่างๆในจูลมาลุงกโยวาทะสูตรมัชฌิมานิกายมัชฌิมปัญนาตมีพุทธพจน์ที่รู้จักกันมากแห่งหนึ่งว่าดังนี้ถึงบุคคลผู้ใดจะกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคยังไม่ทรงพยากรณ์หรือไม่ตอบปัญหาแก่เราว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุด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 จะไม่ประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคตราบนั้นตถาคตก็จะไม่พยากรณ์ความข้อนั้นเลยและบุคคลนั้นก็คงตายไปเสียก่อนเป็นแน่เปรียบเหมือนบุรุษถูกยิงด้วยลูกศร อ, อาบยาพิษที่อาบยาไว้อย่างหนามิสหายญาติสาโลหิตของเขาไปหาสรรยาแพทย์ผู้จำนานมาพาบุรุษผู้ต้องสอนนั้นพึงกล่าวว่า ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังไม่รู้จักคนที่ยิงข้าพเจ้าว่าเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์หรือเป็นสูตมีชื่อว่าอย่างนี้มีโคดว่าอย่างนี้ร่างสูงเตี้ยหรือปานกลางดำขาวหรือคลำ้ำอยู่บ้านนิคมหรือนครนโน้นข้าพเจ้าจะยังไม่ยอมให้เอาลูกศร น, นี้ออกตราบนั้นตราบใดข้าพเจ้ายังไม่รู้ว่า ธนูที่ใช้ยิงข้าพเจ้านั้นเป็นชนิดมีแรงหรือชนิดเป็นเกาทันสายที่ใช้ยิงนั้นทำด้วยปอด้วยผิวไม้ไผ่ด้วยเอนด้วยป่านหรือด้วยเยื่อไม้ลูกธนูที่ใช้ยิงนั้นทำด้วยไม้เกิดเองหรือไม้ปลูกหางเกาทันเขาเสียบด้วยขนปีกแรงหรือนกตะกรมหรือเหยี่ยวหรือนกยูงหรือนกสิทิลหานุ เกาทันนั้นเขาพันด้วยเอ็นัวเอ็นควายเอนข้างหรือเอนลิงลูกธนูที่ใช้ยิงเรานั้นเป็นชนิดไรข้าพระเจ้าจะไม่ยอมให้เอาลูกศร อ, ออกตราบนั้นบุรุษนั้นยังไม่ทันได้รู้ความที่ว่านั้นเลยก็จะต้องตายไปเสียโดยแน่แท้ฉันใดบุคคลนั้นก็ฉันนั้นแนมาลุงกระยาบท เมื่อมีทิฏฐิว่าโลกเที่ยงแล้วจะมีการครองชีวิตประเสริฐขึ้นมาก็หาไมา่เมื่อมีทิฏฐิว่าโลกไม่เที่ยงแล้วจะมีการครองชีวิตประเสริฐขึ้นมาก็หาไมา่เมื่อมีทิฏฐิว่าโลกเที่ยงหรือว่าโลกไม่เที่ยงก็ตามชาติก็ยังคงมีอยู่จราก็ยังคงมีอยู่มรณะก็ยังคงมีอยู่โสกะปริเทวะ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 คือทิฏฐิว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงเป็นต้นนั้นเพราะเหตุไรเราจึงไม่พยากรณ์เพราะข้อนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นหลักเบื้องต้นแห่งชีวิตประเสริฐไม่เป็นหลักเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อนิพิทาเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อนิพาน อะไรเล่าที่เราพยากรณ์คือข้อว่านี้ทุกนี้ทุกขัดสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกข์นิโรธาคามิหนีปฏิปทาเพราะเหตุปรายเราจึงพยากรณ์เพราะประกอบด้วยประโยชน์เป็นหลักเบื้องต้นแห่งชีวิตประเสริฐเป็นไปเพื่อนิพิทาเพื่อวิราคะเพื่อนิโร ธ, เ พ, โรธเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่ง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 ดังความในบาลีในสีสปาสูตรสังยุตติกายมหาวาระวักว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าสีสปาวันใกล้พระนครโกสัมพีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหยิบใบประดูลายจํานวนเล็กน้อยถือไว้ด้วยฝ่าพระหัตแล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายสําคัญว่าอย่างไรใบประดู่ลายเล็กน้อยที่เราถือไว้ด้วยฝ่ามือกับใบที่อยู่บนต้นทั้งป่าสีสปาวันไหนจะมากกว่ากันพิสุทธ์เหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใบประดู่ลายจานวนเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคทรงถือไว้ด้วยฝ่าพระหัตต์มีประมาณน้อยส่วนที่อยู่บนต้นในสีสปาวันนั่นแลมากกว่าโดยแท้ พระพุทธองค์จึงตรัสว่าฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรารู้ยิ่งแล้วมิได้บอกแกเธอทั้งหลายมีมากมายกว่าเพราะเหตุไรเราจึงมิได้บอกเพราะสิ่งนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์มิใช่หลักเบื้องต้นแห่งพรมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อนิพิทาเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธเพื่ อ, อความสงบเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อนิพานภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าที่เราบอกเราบอกว่านี้ทุกข์เราบอกว่านี้ทุกขะสมุทัยเราบอกว่านี้ทุกขะนิโรธเราบอกว่านี้ทุกขะ น, โ น, นิโรธคาไินีปฏิปทาเพราะเหตุอะไรเราจึงบอกก็เพราะข้อนี้ประกอบด้วยประโยชน์ข้อนี้เป็นหลักเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ข้อนี้เป็นไปเพื่อนิพิทาเพื่อเวราคะเพื่อนิโรธเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อนิพานฉะนั้นเราจรึงบอกเพราะฉะนั้นแหลภิกษุทั้งหลายเธอเพิ่งกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามเป็นจริงว่านี้ทุกน้ทุกัตสมุทัยนี้ทุกัตนิโรธนี้ทุกัต น, นิโรธฆามิณีปฏิปทา อริยสัจวี่ 4, เป็นหลักธรรมจาเป็นทั้งสําหรับบัญญัตชิตและคฤหัตพระพุทธเจ้าจึงส่งย้าให้ภิกษุทั้งหลายสอนให้้าบ้านรู้เข้าใจอริยสัจดังบาลีในมิตรสูตรสังยุตติกายมหาวารวักว่าภิกษุทั้งหลายชนเหล่าหนึ่งเหล่าใดที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์ก็ดีเหล่าชนที่พอจะรับฟังคาสอนก็ดีไม่ว่าเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงานเป็นญาต เป็นสาโลหิตก็ตามพวกเธอพึงชักชวนพึงสอนให้ดำรงอยู่ให้ประดิษฐานอยู่ในการตรัสรู้ตามเป็นจริงซึ่งอริยสัจส์4ประการ